ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรู้อริยสัจนะการเอามาพิจารณาใ น, ในทุกสูตรนะจับอัศาธะาาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตอัศาธะาาคือสมุทยัยสัจนะอาทีนวะเป็นทุกขสัจผลแห่งเทศนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชุดนะอย่างเช่นผลที่ผลเกิดในภพที่ดีผลที่เป็น เกิดพบที่ดีมีโพคาเป็นต้นเนี่ยผลเนี่ยนับเนื่องในทุกขสัตว์ใช่ไหมทีนี้เอาแล้วโสดาปฏิผลเป็นทุกขสัตย์ได้ยังไงผู้การก็มาถามก็บอกว่าถ้าเป็นโสดาปฏิผลเป็นต้นเป็นสัจจวิมุตตินี่นะเป็นเป็นผลพ้สัจจะแต่คําว่าผลของเทศนาเนี่ยกว้างเนี่ยนะผลแม้กระทั่งผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งการทําบุญทั้งหลายแม้กระทั่งโสดาปฏิผลเป็นต้นก็เรียกว่าผลเทศนา แต่ถ้าโสดาปฏิผลเป็นต้นไม่จำต้องพูดเนีนะาะแสดงที่นิสรณะอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นผลของการบรรลุมรรคผลอยู่แล้วทั้นการพิจารณาทั้งส1บอ็อย่างเนี่ยนะเป็นเป็นหลักวิจัยสำน ว, นวนว่าใครเนี่ยตรึกธรรมะอะไรไม่ได้นะจำอยู่ฮะสักหกคำนี้ก็ได้นะอาสาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตเนี่ยเอาแค่นี้ไปไปตรึกได้เลยกับทุกเรื่องเนี่ยนะ บอกวิธีศึกษาธรรมะเนี่ยนะถ้าจำได้แค่นี้เอาไปเจริญถ้าใครเรียนเรื่องจิตเจตสิกมาก็เนี่ยเอาไปสายได้เลยโลภะมูลจิตมีอาสาธาไมเนี่ยนะแล้วมีอาทีนวะไม้แล้วละเรียกว่านิสรณะในโลภะได้ยังไงตัดฉันทราคะในตัณหาอีกครั้งได้ยังไงเนี่ยนะแล้วโลภะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีผลยังไงต่อไปเนี่ยนะอันนั้นก็ผลใช่ไหม แล้วอุบายที่จะละโลภะเนี่ยใช้ก็เช่นเจริญอาทีนกลุม่มทุกขานุปัสสนากลุ่มอสุภะทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำให้เจริญยังไงก็บอกว่าท่านจงมณสิการอสุภะเพื่อตัดราคะเป็นต้นเนี่ยนะพุทธพจน์แนวนเนี้ยมีมากเนี่ยนะมีเยอะมากเพราะในในอย่างเดียวกันเนี่ยเอาสเนเอาจิตเจตสิกเนี่ยมามาคำนวณลงได้เลยแต่ละอันแต่ละอันเหล่านี้เนี่ยถ้าใคร ไม่ต้องการศึกษาโดยพยัญชนะมากเอาแต่วิธีการตาแล้วไปตรึกเอาเองเนยนะอันนี้ก็พอได้จําไว้เนี่ยหคําก็ได้นะอ า, าอาศะธาอาทีนวะนิสรณะเหตุผลอนัตเหตุผลอนัตเนี่ยนะเอาเอาพวกนี้ไปคิดแล้วเอานะเอาฝึกคิดเลยโลภะดวงที่หนึ่งใส่คิดโลภะดวงที่สองโลภะดวงที่สามเป็นต้นหรือเอาตาของเรามาคิดอย่างนี้ก็ได้ตาเรามีอาสาธาอย่างไรแล้วตาของเรามีอาทีนวะอย่างไง มีตัดชั้นราคาในตาได้ยังไงเนี่ยนะทีนี้ถ้าดูเรื่องนี้บ่อยๆมีผลยังไงอันนั้นผลแล้วพระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไงให้มีอุบายยังไงบ้างพระองค์สั่งว่าอย่างไเา ง, ง, ไงไเช่นมีอินทรีย์สังวรนะให้สำรวมตาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆระลึกถึงพระสูตรนึกถึงคําสอนในส่วนอื่นๆมาอันนี้ก็สามารถประยุกต์เอามาใช้ได้เนี่ยนะถ้าเราประยุกต์เอามาใช้อย่างนี้ได้เนี่ยนะ เราจำเ น, เนติปรกรณ์เนี่ยนะเท่านี้ก็ถือว่าสําเร็จวัตถุประสงค์ของพระมหากัจจยนะแล้วเพราะว่าที่ที่แสดงก็เพื่ออะไรเพื่อให้รู้อริยสัจเนี่ยนะพันธะอธิบายได้มากกว้างขวางแต่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชมอะไรนะท่านไม่ได้ชมเลยเรียนพระไตรปิฎกมามากมายแต่ไม่ปฏิบัติรำรทับสมควรแก่ธรรมเพราะไม่กําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเรียนไวมากก็คือเรียนวิชา น, นับโคเอาไว้ ทีนี้ในวิทยาหารวิพังพระมหากัะจายนะท่านก็ยกเอาอาชีตะมานพปัญหาอาชีตะมานวักปัญหาในปรายณวักเนี่ยนะปรายณวักมาเป็นตัวอย่างในการทําวิจัยวิทยาหาระเนี่ยนะโดยหลักการ11อย่างภาษารีบุตรท่านก็ท่านก็วิจัยเหมือนกันนะแต่ท่านจะวิจัยอีกแนวหนึ่งที่เรียกว่าจูลนิเทศอยู่ในคัมภีร์จูลนิเทศเรื่องแรกเลย อธิตามานวะกะปัญหานิเทศเจ้านะนั่นภาษาบุตรก็เอามาวิจัยแจกแจงอีกแนวหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คุณรัตนาเนี่ยเอามาให้ดูว่าทําไมคํานี้ถ้าหากจายณนะกล่าวอย่างนี้ภาษาบุตรกล่าวอย่างนั้นถามว่าเหมือนกันหรือต่างกันก็บอกว่าต่างต่างโดยการใช้คําแต่เหมือนกันโดยลักษณะาหาระเพราะว่าทั้งความสงสัยทั้งความตรหนี ก็คืออกุศลเหมือนกันเป็นประหาตประธรรมเหมือนกันเป็นธรรมที่กต้องละเหมือนกันเนี่ยนะั้นจะอธิบายอะไรก็ตามขึ้นมาก็ไม่ผิดทีนี้การการแสดงธรรมเนี่ยนะท่านไม่ได้ต้องการวางรูปแบบคำพีให้สวยหรูเฉยๆอย่างภาษาดิบตรหรือพระมหากัจจยนะท่านแสดงเนี่ยบางทีเนี่ยท่านแก้นิสัยลูกศิษย์อยู่ด้วย เช่นวะ่าผู้ที่ฟังตอนนั้นที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะ่ะท่านน้อมเอาคำนี้ไปอธิบายเป็นสงสัยแต่ถ้ากลุ่มลูกศิษย์ที่มันหนักไปทางตนีนะคำเดียวกันเนี่ยอธิบายเป็นความตนีก็ได้ น, นะเรียกว่าหลักการสอนธรรมะของของพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้หวังผลในแค่หลักวิชาการแต่หวังผลในการปฏิบัติแก้ความประพฤติไปในตัวเนี่ยนะแก้ความประพฤติของผู้ผู้เรียนอยู่ในขณะนั้นด้วย จริงๆไอ้ทั้งสงสยัยทั้งความตนีมันก็คือก็คืออกุศลทั้งคู่นั่นแหละทั้งในในคำคำเดียวกันเนี่ยมีอัดเป็นร้อยเนี่ยนะเขาเรียกว่าบาลีเนี่ยมีอัดเป็นร้อยอววิชานี่นะภาษาริบุตรขยายเป็นความตนีพระมหากัจจายนะแสดงเป็นความสงสยัยเนี่ยนะก็โดยอัดไม่ต่างกันเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าหวังผลต่อผู้ฟังเป็นเกณฑ์เนี่ยนะ อย่างในคำถามเนี่ยนะอย่างคำถามแรกเบอกว่าโลกถูกอะไรหุ้มห่อไว้โลกย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรพปรองกล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกถ้าเราจะฝึกพิจารณาธรรมะเนี่ยนะโลกคือที่ไหนก็นั่งกันอยู่นี่แหละคนละโลกคนละโลกคนละโลกโอ้มีหลายโลกมากเนี่ยนะโลกถ้าแบ่งตามคตินะของเราเรียกว่าอะไรโลกเรียกว่ามนุษโลก แต่ว่ามนุษย์โลกนี้ถ้าแบ่งโดยสภาวะก็คือโลกคือขันโลกคือธาตุโลกคืออายตนะขันธาตุอายตนะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าสัตว์เนี่นะเป็นที่ตั้งโวหารว่าสัตว์อะไรเนาะมันหุ้มห่อเอาไว้อวิชารเนี่ยนะห่อทวารไหนบ้างห่อทั้ง6ทวารเนี่ยนะหูได้ยินเสียงนะแต่ไม่ได้ยินอริยสัตว์ซากทีเลยนะส่วนได้ยินเสียงเท่าด่านะ จริงๆเขาก็บอกว่าเขามีทุกขสัตว์อะแต่ว่าไม่เห็นอริยสัตว์นหะได้ยินเสียงที่เกิดจากโลภะเป็นสมุฐานใช่ไหมได้ยินอะไรก็ตามเพื่อชื่นชมอะไรก็ตามเถอะจริงๆก็ฟังสมุทยสัตว์นะแต่ว่าฟังไม่ออกนะ ไ, ไอ้ที่ได้ยินเนี่ยเช่นเขาทะเลาะเขาบอกเขาไม่ชอบเขารังเกียจเขาโทสะเขาเครียดเขาหงุดงิดจริงๆก็ได้ยินเสียงทุกขสัตว์อยู่นะแต่ว่าไม่เห็นทุกขสัตว์เนี่ยนะ มันของเราทั้งหลายเนี่ยนะตัวที่ห่มหอก็คือวิชาวิชาก็คือความไม่เห็นอริยสัต์นั่นแหละมันห่อเอาไว้แล้วก็ชีวิตนี้อับเฉาเศร้าส้อยเศร้ามองอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าตามเนติปกรณ์ท่านก็บอกว่าเพราะสงสัยนี่แหละเนี่ยนะเฉาอยู่ตลอดเวลาจริงหรือพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าถ้ามีใครมีคําถามว่ะนะถ้าถ้าถ้าเราถูกถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย สอนให้เราพ้นทุกเนะ่จริงไหมทุกคนที่ฟังธรรมจะบอกว่าจริงจริงยังไงเน่ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันบอกโอ้ฟังธรรมนี่ดีไหมยอ้ดีมากดียังไงก็ก็ดีอะเสียงนี่ชักอ่อยเลยใช่ตอนแรกนะี่เคงขังมากานะแต่ยิ่งถามไปลึกนะเออท่านสอนเรื่องอริยสัจนะแล้วอริยสัจมันเป็นยังไงไล่ไปสองนาทีเท่านั้นแหละยามาเ้าซีมากนะ นะอย่าไปทําให้คนที่ฟังทำโกโรธจะเป็นบาป <c oughs> นะนะก็จะเข้าเนี่ยแหละไม่สงสัยก็เนี่ยเออเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันชักไม่ค่อยแน่ใจนะสงสัยไปเรื่อยถามมากถามมากเข้าโทรศัพทไปอีกนะและขณะเดียวกันก็เพราะความประมาทด้วยไนงะประมาทก็อย่างที่กล่าวไปนี่ทําให้มันอับเฉาเศร้าส้อยไม่ไม่เจริญงอกงามถ้าตั้งคําถามว่าสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งเยอะแยะทําไมเราไม่บรรลุอะ ก็ตอนนั้นอวิชาห่อรเราไว้ถูกความสงสัยเนี่ยปกปิดเอาไว้นะทำให้ไม่ปรากฏแล้วก็เพราะตอนนั้นเนี่ยเพลินในกามเป็นอย่างมากเนยนะประมาทก็สั ญ, ญลักษณ์เขาก็คือเพลิดเพลินในวัตถุ ก, กามด้วยอำนาจกิเลสกามตันหาก็ฉาบทาไปเรื่อยเพราะตันหานี่รูปรูปแบบของเขาก็คือความหวังตันหาเนี่ยหวังอะไรก็หวังหวังขันห้านั่นเองหวังที่จะมีขันห้า ตันหาก็เพลินในอดีตบ้างปรารถนาอนาคตบ้างเนี่ยนะเพลินในสิ่งที่มีอยู่บ้างแต่ขนาดนั้นก็ตามอันนะทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกคําว่าทุกเนี่ยก็ไล่เหอะชีวิตของเรานะมีทุกอะไรบ้างเนี่ยนะน่าน่าจะว่างๆก็น่าจะทบทวนนะว่าเฮ้เราเนี่ยทุกอะไรบ้างเนาะเนี่ยนะแล้วต้องการพ้นจากทุกอันนั้นจริงแค่ไหนเนี่ยนะแล้วเราเห็นภัยในทุกอันนั้นตลอดสายหรือไม่เ น, นะ่ คือการการพิจารณาหรือการวิจัยธรรมะนะข้อที่สาคัญอยู่ที่ปุจชากับคำถามกับคำตอบนะถ้าถามมากตอบมากถามมากตอบมากเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้ปฏิบัติธรรมก็จะเจริญได้เท่านั้นการปฏิบัติธรรมในาศาสนาเนี่นะเดี๋ยวเราเรียนปฏิสัมพิทธาแล้วจะชัดว่าข้อปฏิบัติเบื้องแรกอยู่ที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ย โยมอยากจะปฏิบัติแล้วท่านบอกมาเลยจะให้ทํายังไงหนึ่งสองสาจะให้ท่องคําว่าอะไรดีเอามานี่หนักใจเลยเคยไปอยู่ที่หนึ่งนะเขาบอกว่าให้ท่านสอนธรรมะสอนวิปัสสนาเนี่ยเออเราก็ไปพูดวิปัสสนาผู้พูดจบปั๊บก็บอกว่าเมื่อไหรท่านจะสอนปฏิบัติสักทีก็ทํายังไงอะโยมปฏิบัติก็บอกให้นั่งไงเอาแล้วตอนนี้โยมก็ไม่ได้ยืนนี่โยมก็นั่งอยู่แล้วอะแต่ว่าแล้วให้ท่องคําใดคํานึง แล้วท่องแล้วมันจะบรรลุอริยสัจมันไปท่องอริยสัจอริยสัจใช่ไหมมันจะบรรลุไม่ท่องอย่างเดียวแต่ก็ถ้าเทียบไปแล้วก็ดีกว่าท่องคําอื่นนะนะถ้าใครมาถามว่าเ e ออนีทททททท่นั่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยดีไหมก็บอกว่าดีกว่าเรียกคําคนอื่นทั้งหมดนั่นแหละนะดีแต่ท่องคำว่าพุทโธพุทโธกับลูกลูกลู ก, ลกอันไหนดีกว่ากันพุทโธพุทโธยังจะสงบราคะโทสะโมหะบ้างไหมถ้าลูกลูกถ้าลูกคนดีหน่อยก็ ตันหาลูกคนไม่ดีก็โทสะอนะแต่ของเราเนะี่ยมันท่องลูกลูกลูกแต่ว่าไม่ออกเสียงกันนึกถึงหน้าบา่อยๆก็ท่องลูกลูกระวังในะจุติตรงนั้นก็แย่เลยอะเมื่อกี้ยังสนทนาอาจารย์สันติมาบอกว่าทุกอย่างเป็นกรรมนิมิตหมดเลยเนี่ยนะลูกหลานบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไรน่นาที่ทํากินทั้งหลายเนี่ยกรรมนิมิตหมด วิจัยได้แล้วใช่ไหมว่าพบหน้าคืออะไร น, นะถ้าสิ่งนั้นเป็นกรร ม, มนิมิตนะก็หมายถึงว่าเป็นอารมณ์ของมรณาสันวิถีได้ซึ่งหมายว่าอีกไม่กี่วินาทีตรงนั้นน่ะจะเป็นปฏิสนธิจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวกันกับตรงนั้นน่ะดังนั้นก็บอกว่าใครที่จะทำย า, ายาตะปริญญานะกหนดปัจจัยเนี่ยถามว่าปัจจัยนี้จะต้องรู้แค่ไหนก็บอกว่าสามารถเอาเรื่องนี้มามาวิจัยได้นั่นแหละ จึงเรียกว่าปัจจะยปริฆหายานจึงจะบริบูรณ์ถ้ายังวิจัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็เรียนปัจจัย24มาแล้วอ่ะได้ปัจจะยะปริฆหายานหรื อ, อยังก็อาจารย์ก็ให้ประกาศนียบัตแล้วมัง้งนะก็ได้ประกาศนียบัตรไปนะแต่ว่าไอ้ที่สําคัญก็คือเอามาวิจัยเนี่ยเอามาคิดได้เนี่ยนะพรมสวยๆเนี่ยนะถ้าเป็นคตินิมิตเนี่ยเออเป็นกรรมนิมิตควรจะเป็นอะไรดี ไม่ใช่รายฝุ่นอยู่ในนั้นนะเดือดร้อนเลยเขอบอกว่าในเนี่มีเยอะนละยดูดยังไงก็ดูดได้แค่หเปอร์เซ็นตะี่ยนะที่เหลืออยู่ในนั้นบาลนะทุกแห่งก็เป็นที่ไปนะที่ตั้งแห่งพบใหม่ทั้งหมดมีอยู่สูตรหนึ่งพระวกบอกว่าเราไม่พิจารณาเล็งเห็นคุกอันไหนที่มันจะใหญ่เท่ากับนรกกับเดรฉ า, านหลุดยากมากเนี่ยนะนะคุกบางเขนคุกแถวๆนี่ยออกง่ายทั้งหมดเลยไม่กี่ปีออกได้หมดละ แต่ว่าไอ้คุกคือเดรชานเนี่ยนะเคยเห็นเดรชานให้ทานไหมล่ะถ้าไปอยู่ในนรกล่ะโหยากเมื่อวานไปดูน้ําพุร้อนมาแม่ห้องสอนเห็นน้าพุมันร้อนนึกถึงตะโปทาที่ตะโปทามีนะึว่าที่มันร้อนเนี่ยเพราะว่าไอ้แม่น้ําตัวเนี่ยมันไหลข้างๆผ่านตะโปทานรกมาน้ําตรงนั้นมันเลยร้อนนะ แต่ว่าน้ำพุร้อนที่ที่เหนือเขาบอกว่ามันเกิดจากภพกรรมฐานอั่นนะแต่ว่ามีเขาอยู่เหมือนกันว่าข้างล่างนั่นนะอย่าลงตปกันแล้วกันก็ <c oughs> บอกว่าเออท่านเอานรกมาขู่บอกไม่ได้ขู่แล้ให้ฟังอย่าตายกันแล้วกันนะตายแล้วจะลำบากแต่ถ้ายังไม่สามารถเอามาเจริญอะไรอะไรได้นะไม่มีใครกันหน้าการุณาเท่าเราหรอกเนะ ถ้าจะว่าให้ตรงๆนะเราบอกสงสารลูกสงสารหลานสงสารอะไรก็ตามที่เราสงสารนะจะไม่น่าสงสารเท่าเราหรอกถ้าเรายังไม่สามารถคิดในสิ่งต่างๆให้เป็นกุศลได้เนี่ยนะไม่คิดให้เป็นกุศลได้แต่ทีนี้ขนาดว่ากุศล น, นําเกิดแลยนะก็มาเกิดก็เหมือนอย่างอย่างเกงก็เหมือนเราๆเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ยุคนี้นะอย่างดีเลยเนี่ยอ ย, อย่างได้มานั่งฟังธรรมได้ขนาดนี้ถือว่าอย่างดีมากแล้วนะดีกว่าไปเกิดที่อื่นนี่ยนะ เกิดแถวภาคอื่นๆหรือประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยก็เดือดร้อนกันนี่อีกเยอะเพราะฉนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อย่างดีนะยังทุกข์ขนาดนี้อีกใช่ไหมทีนี้แล้วมนุษย์แต่คนที่มีความสุขเนี่ยนะก็าบอวันอาทิตย์ได้หยุดงานกับไม่ได้หยุดงานไหนมากกว่ากันคนที่ได้พักกับไม่ได้พักไหนมากกว่ากันยศไม่ได้พักมากกว่านะมันก็เห็นว่าเนี่ยคือทุกข์แม้กระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหลายก็นับเนื่องในในทุกข์ เดียวแต่ก็มีทุกสามันประจําตัวกันทุกคนใช่ไหมมีแผลก้าแผลเนี่ยก็บริหารแผลกับคนละก้าคนละก้าคนละก้ามีขี้ตาก็ปาดมั่งมีจมูกก็ปาดจมูกมีปากก็ปาดปากนแหละก็เลี้ยงดูแลไปรักษาไปนั้นก็ทุกเลยนะแต่ว่าทุกอีกตามมาก็คือชราะนะชรามันก็เป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปอีกก็คือมอรณะเนี่ยนะ แล้วก็ไล่ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกโดยวัตถุประสงค์เนี่ยคถามคําตอบอันนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าประกาศสัจจะหรือยังบอกว่าคาถานี้เน้นประกาศทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นคาถาที่ประกาศทุกขสัตว์ว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะในอัตกะทจูลนิเทศชี้ชัดเลยว่าคาถาคําตอบนี้เป็นเป็นพระพุทธพจน์ที่ประกาศ ทุกขศัพท์ส่วนข้ า, าต่อไปนี่นะที่ท่านพระชิตะถามว่ากระแสตันหาไหลไปในอายตนะทั้งปวงนี่นะอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสขอพระองค์เนี่ยบอกการสังวรคือการป้องกันกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นปิดกั้นด้วยอะไร คำว่าเครื่องกั้นเครื่องอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสก็เป็นคาถามเพื่อถามถึงวิธีละปริยุทธานกิเลสจะปิดกั้นกระแสทั้งหลายเนี่ยด้วยอะไรก็เป็นคำถามถึงว่าจะเพิกถอนอนุัยกิเลสได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคก็บอกว่ากระแสเหล่าใดเนี่ยนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นคำว่ากระแสเหล่าใดเนี่ยนะอันนี้เป็นการประกาศสัจจะอะไร สมุทยัยสัตร์เนี่ยนะสติเป็นเครื่องกัน้นหรือว่าสติเป็นเครื่องกัน้นหรือเครื่องป้องกันเนี่ยนะปัญญาหรือมัคคปัญญาเป็นเครื่องปิดกัน้นปัญญาตัวนั้นเนี่ยเป็นชื่อของมัคคสัตเนี่ยนะมัคสัต์มันในหน้า21นั้น่ะเป็นคำตอบทั้งที่เป็นสมุทัยสัตว์กับมัคคสัตว์จริงๆแล้วสมุทัยสัตร์กับมัคคสัต์เนี่ย วิธีแสดงเนี่ยต้องแสดงควบคู่กันตัณหาที่เป็นสมุทั ย, ยศาสตร์เนี่ยเป็นปหาตปรธรรมใช่ไหมปหาตปะธรรมแปลว่าธรรมที่ควรละสติกับปัญญานี้เป็นปหายกะธรรมเป็นธรรมที่เข้าไปละเพรัะวิธีแสดงก็ต้องแสดงควบคู่กันไปเนี่ยนะมันในคาถานี้ประกาศสมุทั ย, ยศาสตร์กับมัคคสัต นี่คําถามหลังว่าปัญญาสตินามรูปทั้งหมดเนี่ยดับไปในที่ไหนอันนี้เป็นคําถามถึง อ, น, อ, อนุปาทิเสสถ า, านก็หมายถึงคําถามถึงนิโรธสัจจานั่นเองเห็นไหมว่าที่พระองค์ตอบว่านามรูปนไสติปัญญาก็อยู่ในนามอยู่แล้วนามรูปทั้งหมดเนี่ยนะดับสนิทด้วยการดับแห่งวิญญาณถ้าวิญญาณดับเนี่ยนามรูปเหล่านั้นก็จะดับ ทีนี้ในเนติปกรณ์กับในจุลนิเทศเนี่ยมีการแสดงที่ต่างกันโดยพยัญชนะเนี่ยนะแต่ว่าโดยอัถะนี่ไม่ต่างกันในเนติปกรณ์เนี่ยนะเน้นอธิบายอธิบายเป็นการเจริญหรือข้อปฏิบัติแบบอิธิบาทเนี่นะเป็นการเจริญแบบอิธิบาทถ้าเป็นใน จุลนิเทศเน้นขยายเป็นสติปัฏฐานเนี่ยนะแต่ว่าสติปัฏฐานกับอิทธิบาทเนี่ยต่างกันไหมบอกไม่ต่างเนี่ยนะถ้าบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานสี่อันใดอันนั้นแหละคือเจริญสัมมปัฏฐานสี่เจริญสัมมปัฏฐาน 4, สีมม่ 4, อันใด น, นั่นก็เป็นอิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าพละหโพชฌงเจ็ดอริยมรตมีองค์8ดก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะสิ่งเดียวกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะยกองค์ธรรมตัวใดขึ้นมา อธิบายมากกว่ากันนั้นก็ทั้งที่ผ่านมาเราเรียนมาถึงเนี่ยนะนประกาศสัจจะสเรียบร้อยในในสามคาถานะสรุปว่าคาถาแรกประกาศอะไรทุกขสัจคาถาที่สองสมุทยัทยสัจกัมมักสัจคาถาที่สนิโรสัจจะเนี่ยนะในหน้า25นะ ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยให้จะคิดอะไรมากนะคิดว่าทบทวนของเก่าเพราะปิดไปตั้งเดือนหนึ่งของมาลืมไปตั้งเยอะและ้วทีนี้เมื่อท่านฟังอริยสัจจบก็ไม่บรรลุพอไม่บรรลุก็ถามปัญหาขึ้นมาใหม่เนี่ยนะในหน้า25ล่างล่างสุดเลยว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์บุคคลที่มีธรรมะอันพิจารณาแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นและบุคคลที่ยังต้องศึกษาศิกขาอธิสิธิแลสิกขาเป็นต้นมีอยู่มากในศาสนานี้อานะอวโลกออกเปลี่ยนเป็นศาสนาแทนนนะพระองค์ผู้เป็นบัณฑิตอันข้าพระองค์ถามแล้วขอจงตรัสบอกข้อปฏิบัติ ของบุคคลเหล่านั้นแก่ฆ่าพระองค์นั้นประโยคเหล่านั้นมีปัญหาสามข้อถามว่าเพราะเหตุไรจึงมีปัญหาสามข้อเพราะประกอบด้วยคำถามคือการตั้งสามคำถามเนี่ยนะคือหนึ่งเกี่ยวกับเศขบุคคลสองก็เป็นอเศขาบุคคลสาการละกิเลสที่มีวิปัสสนามหน้า ดังคําที่ท่านพระชิตตะได้กล่าวไว้เช่นนั้นท่านถามถึงความเป็นธาตุหันด้วยคําว่าเยจะสังคาตะธรรมาเสคือบุคคลที่มีธรรมะอันพิจารณาแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนี้ท่านขยายตามจุลนิเทศเนยนะเขาเรียกว่าปแปลตามแนวจุลนิเทศทัานคําว่าสังคาตะธรรมแปลว่าผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วเนี่ยนะ คำนี้หมายถึงระารหันท่ารหารันเนี่ยเป็นผู้ที่นับธรรมะเรียบร้อยแล้วท่านนับยังไงท่านนับว่าสัพเพสังขาราอนิจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านนับแล้วปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมก็คือการแสดงสมุทัยสัตว์สมุทยาวาระนี่นะก็คือสมุทัยสัตว์นั่นเองคืออวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นอันนี้เป็นการประกาศสมุทัยสัจจะส่วนว่าถ้าอาวิชชาสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับเป็นต้นอันนี้เป็นการประกาศนิโรสัรจจะนี่นะ ทีนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดแบบนั้นนะในตอนหลังท่านก็ที่บายว่าผู้ที่นับแล้วว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคาคมิหนีปฏิปทาชี้ชัดเลยว่าที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นคือการรู้เห็นอริยสัจนะทีนี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นอริยสัจเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าบรรลุจริง เครื่องวัดเนี่ยนะวัดว่าบรรลุอริยสัจจริงหรือไม่ท่านบอกว่านี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะเพราะฉะนั้นก็จเอากิเลสเนี่ยมาเป็นตัวเช็คเป็นตัวตรวจถ้าบรรลุอริยสัจจริงถ้ารู้อริยสัจจริงต้องละกิเลสได้เนี่ยนะละอาสะวะได้อย่างเช่นถ้ารู้ทุกขสัจจริงเนี่ยนะอย่างเช่น อย่างพระโสดาบันเนี่ยนะคือผู้ที่เห็นอริยสัจใช่ไหมพระโสดาบันเนี่ยเห็นอริยสัจสี่เนี่ยท่านละสังโยชน์สามเบื้องล่างเนี่ยนะสกายะทิถิวิจิกิจชาและศีลพัตะปรามาตผู้ที่กําหนดรู้ทุกขสัจอย่างดีละสกายะทิถิผู้ที่กําหนดรู้สมุทัยสัจละวิจิกิจชาผู้ที่กําหนดรู้นิโรสัจในมรรคสัจเนี่ยนะเท่ากับกําหนดรู้อะไร ศิลปะตะปรามาตในอัตถกถาสุตตะเนบาตรัตนสูตรเนี่ยอธิบายไว้ว่าการกําหนดรู้ผู้ที่กําหนดรู้ทุกขสัตว์นั่นแหละคือกำหนดรู้สกายติฐิหรือละสกายติฐิสกายติฐิจะมีการละได้เมื่อมีการกําหนดรู้ทุกขสัตว์ละวิจิกิจฉาได้ด้วยการกํารู้สมุทัยสัตว์หรือบรรลุสมุทัยสัตว์เพราะบรรลุนิโรธสัตว์มรรคสัตว์นั่นแหละจึงเป็นการละ ศีลแะพระปรามมาศทีนี้อริยสัจเนี่ยแหละเป็นเป็นเครื่องวัด น, นะว่าบรรลุบรรลุอะไรก็บรรลุอริยสัจทีนี้เอากิเลสมาตรวจตรวจสอบอีกว่าถ้าบรรลุจรงิงต้องละกิเลสได้ไม่ใช่ว่าอู้อะไรอะไรก็รู้หมดแล้วอริยสัจก็รู้ไล่ได้หนึ่งสาสี่ห้ากิเลสเท่าเดิมอย่างเงี้ยแหละ น, นะมีนะเขบอกเออเนี่ยทุกข์ก็รู้แล้วสมุทัยก็รู้แล้วนิโรธก็รู้มรรคก็รู้ทำไมไม่บรรลุสักทีนึง อ่านะเขามีคนถามแบบนี้เราจะ ต, ตอบเขาว่าไงยังอ่านะเขาก็ทุกเขาก็รู้นะว่าเนี่ยนี่ทุกชาติชราพยาธิมรณะทุกทั้งนั้นแห ล, แลนะอ่นะตัณหาก็สมุทยัยถ้าดับพวกนี้ได้ก็นิโรธข้อปฏิบัติที่แต่ไปทําอย่างที่ว่านะั่นแหละเป็นมรู้อย่างนี้ทําไมไม่บรรลุอ่านะก็บอกว่าเออนี่ทุกเนี่ยมันนี่ทุกกี่กี่นาทีเนี่ยนะ เห็นไหมว่าเออที่นั่งๆเนี่ยชาติทุกชราทุกปยาที่ทุกมรณะทุกโศกปริเทวะทุกโทมรณะอุปายาตรู้ไหมว่าเป็นทุกครู้แล้วรู้อย่างเนี้ยวันหนึ่งรู้กี่ครั้งนิดเดียวนะที่เหลือรู้โดยสมุทัยสัตว์หมดเลยนะตัวจริงๆแนะตัวที่จะละศีลพัตะปรามาศได้ตรงตรงแท้จริงต้องเป็นมัคสัตว์การที่บรรลุมัคสัตว์เนี่ยละศีลพัตะปรามาได้เด็ดขาด ยกตัวอย่างที่ที่เด่นเนี่ยนะยกตัวอย่างที่ใหญ่ที่ชัดถ้ามาดูหรือแสดงตามวิสุทธิมรรคหรือปฏิสัมพินามรรคที่กล่าวถึงยาตาตริญญาเนี่ยนะการกําหนดรู้อุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือว่าเป็นตนที่เรียกว่าสกายะเนี่ยนะสกายะแปลว่าของตน ขันอุปาทานขันห้าเนี่ยสําหรับผู้ที่ไม่รอบรู้แยกแยะวิเคราะห์ไม่ออกจะสําคัญว่าตนเช่นเราเห็นใช่ไหมเราเนี่ยเห็นจริงๆแหละเราเห็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นโดยสัจจะเป็นจริงก็อาศัยตากับสีเกิดจากขวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วก็พอเห็นแล้ววิจารณ์ยังไงไปก็นั้นแหะเป็นตันหาอุปาทานกรรมมพบเนี่ยนะ ก, ก็อยู่ตามนี้แหละ แต่ถ้าไม่แยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรนะอันนั้นแหละเป็นสกายะทิฐิซะส่วนมากส่วนมากเพราะสกายะทิฐินี่เกิดร่วมกับโลภทิฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงเนี่ยนะก็วิธีเช็คว่าเป็นสกายะทิฏฐิหรือไม่ก็เอาดูว่าเป็นโทสะไหมหรือเป็นโลภะวิปยุตหรือเป็นไปกัทามศีลภาวนาเป็นต้นไหมถ้าไม่เป็นไปตามดังกล่าวไปแล้วโดยมากเป็นสกายะทิฐิเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะไม่มีการทําปริญญาในในตัวอุขันท่าที่เราที่เรารู้เนี่ยอย่างที่เรกว่าเราเห็นว่าเห็นคนเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆก็คือเห็นสิ่งที่เห็นมหาพูดประชุมกันนั่นแหละแต่สัญญามนุษยการของเราเนี่ยเป็นสําคัญว่าเป็นมหาพูดไหมไม่เห็นเห็นแต่เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นต้นนั้นสัญญาในมนสิการโดยความเป็นมหาพูดเราอ่อน มหาพูดเนี่ยยาบที่สุดเมื่อกําหนดรูมหาพูดน้อยรูปายตนะจะ ก, กําหนดได้น้อยด้วยเพราะรูปายตนะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแ ล, แ, เอนะแล้วแต่มหาพูดนะแล้วแต่มหาพูดนะเพราะอุปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยมหาพูดถ้าเราเรียนพระสูตรทั้งหลายแหล่นี่นะจะไม่บอกรูปมีเท่าไหร่จะไม่บอกเลยรูปที่แปดไม่พูด แต่พระ อ, องค์ตรัสว่ายังไงก็บอกว่ า, เ, าเช่นอย่างเช่นมหากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้งสี่อันนี้อีกสูงหนึ่งจะแสดงไงหรือคำว่าจอมปลวกเป็นชื่อของกายนี้ที่ประชุมแห่ง